นะโมตัสสะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะพัวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะพวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธส สิรังโรเกอนุตโรติมัสสะธรมพริยายะสะอัโทสันทายสัมมันเตหิสกจังธมโมโสธัมโมตีฟังใจนั่งสบายสบายสิเออ เตรียมท่าเตรียมทางสะดับรับฟังซึ่งโอวารรททำเทตมาภาพจะได้นำมาสีแจงแสดงตามศาสนธรรมคือคำสั่งสอนของพระบระมาศาสดาสมาสมพุทธเจ้าที่เรียกว่า พระพุทธศาสนาคือศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเอง <c oughs> ตั้งท่าตั้งทางให้สบายสบาย <c oughs> สงบกายสงบกายสงบวาจาสงบใจวันนี้เป็นวันประชุมฟังธรรมะ ตามการเวลาที่กำหนดเดือนหนึ่งก็จะมีครั้งหนึ่งหรือสองครั้งสำหรับในวันนี้เป็นวันสุกที่ยี่สิบเก้าเดือนสิงหาคม พุทธศักราชสอง7ันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดซึ่งเป็นวันนัดหมายนัดประชุมฟังธรรมประจำณสถานที่ปฏิบัติธรรมวรินาจังหวัดมหาสา ร, รคามแห่งนี้ซึ่ง แต่ปฏิบัติมาโดยลำดับเมื่อมาถึงวันเช่นนี้ซึ่งเป็นวันกำหนดนัดหมาย <c oughs> พุทธบริษัทสถาญาติโยมผู้ไข่ในบุญกุศลในการฝึกฝนอบรมนำตนเข้าสู่ ธรรมะคือข้อปฏิบัติที่ได้มาเพราะชุมรวมพร้อมเพียงกันในเบื้องต้นได้ไหว้พร ะ, จะเจริญพระพุทธมนต์นอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยคือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอันเป็นอันเสร็จสิ้นไปแล้ว และก็ได้สมทานซึ่งเป็นเวนวิรัตคือสมทานศีลห้าเพื่อการปฏิบัติงดเว้นเป็นรั่ว ก, กันบาปกันอกุศลคือสิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นทางกายวาจา ก็เป็นอันสมทานตั้งเจตนาสมทานไปเรียบร้อยแล้วลำดับตอนนี้ไปเป็นการปฏิบัติธรรมฟังธรรมะน้อมนำธรรมะเข้าสู่จิตใจอาศาัยโสตประสาทคือหูทั้งสอง เป็นช่องรับสัญญาณคือเสียงแห่งธรรมเข้าสู่ใจเป็นผู้รับรู้เหตุผลต่างๆด้วยปัญญาญาณัทธสนะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วตึกต้องค่อยควรตามให้เกิดปัญญาเห็นชอบรู้แจ้งในศาสนธรรม ตามเป็นจริงก็จะเป็นเหตุให้เกิดความสุขความปราศจากทุกข์อาง จ, จิตใจสงบระงับบาปอากุศลหรือความทุกข์กวนกวายที่จะเกิดขึ้นอาง จ, จิตใจด้วยอำนาจแห่งธรรมะที่ได้สดับรับฟัง ตั้งเครื่องรับคือใจตั้งเครื่องรับคือกายสํารวมกายสํารวมวิจารแล้วก็มีสัญญาณรับรู้คือใจไว้ให้แน่วแน่ไว้ให้แน่วแน่เรียกว่าตั้งใจให้แน่วแน่ ในปัจจุบันรวมความรู้ที่เกิดจากจิตใจที่สายแสออกไปเป็นสัญญาอารมณ์ที่ให้ความรู้ไปสัมผัสกับสัญญาอารมณ์เรื่องอดีต ท, ที่ผ่านมาเรียกว่าส่งความรู้ออกไป ส่งความรู้ออกไปรับรู้ตามสัญญาความจําเรื่องอดีตทั้งขานก็ปรุงไปตัดกระแสสัญญาณรับด้วยการไม่ส่งรวมเข้ามาที่ผู้รู้ภายในคือใจคือใจความรู้รู้รภายในดวงใจตรงกลางหน้าอกของเราเนี่แหละศูนย์กลางศูนย์กลาง ของกายคือตรงหน้าอกคือหัวใจนี่ควรกระแสความรู้จากที่จะไปสำคัญมั่นหมายในอดีตหรืออนาคตเอามากำหนดอยู่ปัจจุบันขณะนี้เดียวนี้รู้อยู่ตรงนี้กำลังสะดับฟังเสียงธรรมะอยู่ขณะนี้เดียวนี้ นี่มีความจงใจตั้งใจนี่ก็เปิดเครื่องเปิดสัญญาณแห่งความรู้ด้วยสติระลึกรู้ด้วยสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดียวนี้นี่เมื่อเปิดสัญญาณรับรู้ไว้ดีแล้วกระแสเสียงแห่งธรรมะ ก็สัจจะสัมผัสกับความรู้คือใจนี่เรียกว่าจเจริญสติความระลึกรู้ควบคู่อยู่กับใ จ, จเจริญสมาธิเมื่อสติต่อเนื่องก็เป็นความมั่นคงของความรู้ตั้งรู้อยู่ไม่เผลอจากปัจจุบัน จะเดินปัญญาความรอบรู้รอบรู้ในความรละลึกรู้ในความรู้ที่แน่วแน่เพื่อความสัมผัสแห่งธรรมะแล้วก็ตั้งรู้ลงที่ใจของเรานี่เองไม่ได้อยู่ที่อื่นี่ใจเป็นฐาน เครื่องรองรับหรือเป็นภาชนะที่คู่ควรกับธรรมะเหมือนภาชนะรองรับน้ำฝนที่ตกจากอากาศที่ระยดที่ระยัดเมื่อภาชนะเปิดปากไว้ดีแล้วก็ก้นภาชนะก็ไม่รั่วนี่ปัญญารอบคอบดู ภาชนะเปิดปากไว้พ้นภาชนะก็ไม่รั่วน้ำฝนที่ตกลงที่ระยดที่ระหยาดก็ย่อมเพิ่มพูนขึ้นจนเต็มในภาชนะนั่นฉันใดใจที่มีความตั้งรู้ไว้ในปัจจุบันมีสติเป็นตัวยึดให้ให้แนวแน่ปัญญา รอบรู้ว่าไม่เอียงไม่ควมืมใจไม่ความใจไม่รั่วให้อารมณ์ความรู้นี่รอดไปโ h กับสัญญาอารมณ์โดยโดยไม่รู้ตัวด้วยความมีปัญญารอบรู้รอบคอบ อยู่ในปัจจุบันนี่กระแสธรรมสัมผัสใจนี่ธรรมชาติใจเนี่ยเป็นนักลู่อยู่แล้วเป็นนักลู่เป็นเครื่องลู่เป็นใหญ่ในการลู่อาศัยวิญญาณวิญญาณนธาตวิญญาณคือเครื่องรับรู่ ยินยานื่องรับรู้ก็ได้แก่สตินั่นแหละตั้งและรึกไว้สัมปชัญญะรู้ตัวให้ต่อเนื่องกันไม่ขาดวักขาดตอนนี่เป็นการตั้งใจไว้ชอบแต่ธรรมะที่จะอธิบาย สู่ฟังในวันนี้จะพูดถึงเรื่องศีลตามภาษิต ท, ที่ยกขึ้นเป็นหัวข้อว่าศีลังโรเก อ, อนุตรแปรใจความว่าศีลเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในโลกในโลก ไม่มีสิ่งใดจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสิ่งที่จะให้คุณค่าประโยชน์คือความสุขความสงบความระงับจากอากุศลรรกรรมให้เป็นกุศลกรรมเป็นความดีความชอบเป็นความเยือกเย็น ยิ่งไปกว่าศีลไม่มี <c oughs> มีศีลเท่านั้นศีลท่านแปลว่าความสำรวมกายว่าจจใจให้เรียบร้อยเรียกว่าศีลเอาสติเป็นเครื่องระลึกรู้ นั่นแหละควบคุมใจคือความรู้สำรวมใจสำรวมใจมาระลึกสำรวมกายสำรวมวาจาไม่ให้เกิดโทษที่นี่อาการอาการแห่งความสำรวมหรือความตั้งใจ ท่านือศีลในใจความของศีลที่แท้จริงก็ได้แก่ความเจตนางดเว้นวเจตนางดเว้นเกิดมาจากไหนอยู่ที่ไหนความเจตนาความเจตนา เ, นกเกิดขึ้นจากใจ จากใจจา ก, กจิตใจคือความรู้นี่เองไม่ได้เกิดจากที่อื่นรวมแล้วว่าตั้งใจสำรวมใจรักษาใจรักษากายวาจามีความเพียร เฮียนระวังสำรวมรักษาเพราะว่าช่องทางที่จะให้เกิดโทษให้เกิดบาปที่เป็นส่วนหยาบได้แก่กายที่ว่าที่เป็นรูปเป็นรูปกายเป็นรูปประทับรูปกายรวม แขนสองขาสองหัวหนึ่งนี่ที่จะทำบาปทำโทษก็อาศัยแขนสองขาสองศรีรษะหนึ่งที่จะทำโทษทางกายและก็ทางวาจาก็มีสำรวมระหวังปากพอเสียงจะพูด อาศัยปากเท่านั้นส่งเสียงออกไปทางอื่นไม่ได้เพราะนั้นจริงว่าปากเป็นใหญ่ในการที่จะท้ายเสียงออกมาจากช่องปากเท่านั้นนี่จึงเรียกว่ารักษากายรักษาปาก จะกล่าวเป็นเสียงวาจาที่มีเกตนาในการที่จะสำรวมรักษา เ, เพื่อเป็นเครื่องประกันอาศัยวาจาใสายรูปเป็นสื่อเป็นเครื่องสัมผัสของใจ พระอาจารย์จึงต้องมีเกตนาสมาทานการเกตนาสมาทานเพื่องดเว้นในสิขาบทหรือประกาศงดเว้นจากในเหตุห้าประการที่เรียกว่าสิขาบทห้า โทษห้าอย่างที่จะเกิดทางกายทางวาจาเกิดเพราะกายเพราะวาจาสายกายวาจาเป็นความสําเร็จแต่ออกมาจากใจเป็นตัวหนุนแต่จะสําเร็จเป็นโทษด้วยกายวาจาจะต้องประกอบกายก็ลงมือ ทำลงมือปฏิบัติตามใจที่เจตนาในการทําโทษหนั่งด้วยแล้แตว่าจาก่าวไปตามเจตนาที่จะพูดให้ผิดพูดให้เป็นโทษเกิดโทษที่นีการสมาทานศีล อันทีงว่ามีอาการในแห่งการสมทานเรียกว่าสมทานะวิรัตเจตนาประกาศกล่าวสมทานจากพระเจ้าพระสงฆ์พระภิกษุสงฆ์เป็นพยานก็ได้ สมาทานจากการเจตนามีพระพุทธรูปสถูปเจดีย์เป็นประธานเป็นเครื่องระลึกก็ได้หรือไม่ก็กาวสมาทานด้วยวาจาออกมาเฉพาะตัวของเรานี่เรียกว่าประกาศประกาศเพื่อการงดเล่น ทันเรียกว่าสมทานสมทานวิรัตเจตนาวิรัตก็ตั้งเจตนาว่า<ม>การกระท้5อย่างนี้การฆ่า<ม>ทำลายชีวิตของผู้อื่นสัตว์อื่นมแม้แต่ตัวของชีวิตของเราเอง ให้ตกร่วงไปด้วยเจตนาแห่งการทําลายแห่งการฆ่าการทําลายนี่จะงดเว้นหรือไม่ฆ่าไม่ทําลายตั้งเจตนางดเว้นในจิตใจนี่ด้วยความแน่วแน่ตั้งเจตนางดเว้นในการที่จะไม่ถือเอาสิ่งของผู้อื่นอื ที่เจ้าของยังไม่ได้ให้ไม่ได้อนุญาตด้วยอาการแห่งการรักรอบเพราะเรียกว่ารักขโมยในตั้งเจตนางดเว้นไม่รักไม่ใช่ให้ผู้อื่นรักไม่ให้ผู้อื่นรักไม่ให้ผู้อื่ น, นขโมยให้ นี่เรีว่างดเว้นจากการที่จะไม่ทําลายชีวิตสัตว์อื่นให้ตกล่วงไปงดเว้นจากการที่จะไม่ถือเอาสิ่งของผู้อื่นด้วยเทยาจิจจิตคิดที่จะรักที่จะขโมยตังเกตนาที่จะงดเว้นจากการกระพติผิดในกาเมสมิชฌาจารย์ ตั้งเจตนางดเว้นในการที่จะไม่กล่าวหลอกลวงงำพางโป๊ปดมดเท็ดคำหยากสำหรับเคยเจอเหลียวไรในสาระตั้งเจตนางดเว้นในการที่จะไม่นำเครื่องดองของเมาสิ่งที่ทําให้บริโภคเข้าไปแล้วมืนเมาให้ประสาทพิการ คนพิการไปนี่เรียกว่าเมื่อตั้งเจตนางดเว้นแล้วก็สังวรสํารวมรักษาไม่ทำในโทษทั้งห้าประการนี่เรียกว่าเจตนาวิรัตสัมปะตะวิรัตนั้น เกิดขึ้นด้วยปัญญาเมื่อเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้เข้าใจว่าบาปหรือโทษเกิดจาก <c oughs> การเจตนาฆ่าการเจตนารักการเจตนาที่จะทำผิดมิจฉาจารณ์เจตนาที่จะ กล่าวโกฏิมดเท็ดหลอกลวงอำพังเจตนาในการที่จะดื่มกินเครื่องดองของเมาเนี่ยคือเมื่อเห็นโทษด้วยปัญญาแล้วจิตมันจะเป็นการงดเว้นงดเว้นหรือว่าปฏิเสธเห็นโทษในสิ่งเหล่านี้แล้วจะไม่มีความยินดี เพราะเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นโทษทำให้เกิดโทษทำให้เกิดความเศร้ามองวุ่นวายแล้วก็จิตนั่นจะเป็นความงดเว้นโดยเจตนาหรือไม่เจตนามันจะเป็นความปล่อยวางจากการที่จะทำโทษเหล่านี้ ท่า น, นท่านเรียกว่าสัมปะตะวิรัตเป็นวิรัตเกิดจากปัญญาแล้วก็จะขาดขาดจากความยินดีหรือการกะระทาในบาปในโทษห้าประการอีกอย่างท่านเรียกว่าสมุเชต ท, ทวิรัต หรือว่าสมุเชเทศทัปหานเป็นการประหารแบบสิ้นสุดเบ็ดเสร็จจบสิ้นไปเลยการประหารด้วยเจตนาด้วยการระวังรักษาอันนี้จะเป็นการ รักษาด้วยการระวังด้วยการเจตนารักษาด้วยการกล่าวสมทานยืนยันแล้วก็มีเจตนาปฏิบัติรักษาหรือว่าตัดให้ขาดเป็นช่วงเป็นคณะด้วยการระวังบางทีก็อาจจะผิดพลาดไป พังเพออันนี้เรียกว่ายังไม่เป็นสมุเชเทศวิรัตหรือสัมปตะวิรัตในการปฏิบัติเพื่อเพื่อทำกายวาจาใจให้เป็นศีลเป็นความสงบระงับจากบาป การรักษาศีลเป็นการการละบาปตามคาสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาอย่างยังสอนให้ละบาปทาบุญกุศลคุณงามความดีทำจิตให้ผ่องใสแต่ถ้าเราทําบุญคือทําความดีด้วยการให้ทานแต่ไม่ละบาปคือไม่ละการฆ่าไม่ละการ ขโมยไม่ละการประพฤติผิดมิชฉาจารไม่ละการกล่าวโป๊ปดมดเท็จหลอกลวงอำพังไม่ละการดื่มกินเครื่องดองของเมาอันนี้เรียกว่ายังไม่ละบาปในส่วนหยาบที่เกิดสัมปยุทธ์ด้วยกายวาจา เมื่อมีเจตนาแล้วก็ละในส่วนที่หยาบนี้อย่าสํารวมสังวรกายวาจาแล้วก็สังวรใจความละเอียดเข้ามาใจเพราะใจเป็นตัวการใจเป็นตัวเจตนานี <c oughs> ่เมื่อกาย เป็นศีลวาจาเป็นศีลแล้วก็ใจเป็นศีล น, นี่เรียกว่าศีลสมบูรณ์เซนศีลสมบูรณ์ด้วยเจนตนาแล้วก็ด้วยการปฏิบัติละเว้นไม่มีโทษไม่ให้โทษเกิดขึ้นศีล น, นี่แหละ เป็นขอบเขตเป็นเครื่องกัน้นบาปอากุศลหรือความเศร้าหมองที่จะเกิดขึ้นในส่วนหยาบแล้วก็รวมเข้าสู่ใจแล้วก็เป็นบาทฐานแห่งการเจริญสมาธินี่ศีล เป็นธรรมเป็นข้อปฏิบัติอันที่จงว่าจเจริญศีลให้ยิ่งคือมีความสำรวมต่อใจของเรามีสติประครับประคองใจมีปัญญาใช่ปัญญารอบรู้ใจสอนใจให้ รู้ให้เข้าใจในโทษที่จะเกิดขึ้นสำเร็จด้วยกายด้วยวาจานี่เมื่อมีสติความสังวรสารวมนี่ก็เป็นบาทฐานที่จะให้ใจของเรามีความตั้งมั่นแน่วแน่ให้สมาธิทรทมคือสมาธิ ความมั่นคงของใจก็จะเป็นผลจากศีลทั <même huh> um, ้งวรนี่ในการปฏิบัติในศีลก็มีข้อห้ามข้อบัญญัติจะเป็นสิขาบทห้าเรียกว่าเบญจศีล สิกขาบทแปดเรียกว่าอุโบสถศีลแล้วก็ท่สะศีลสิกขาบทสิบสำหรับสามเณรผู้บรรพชาเป็นสามเณรรักษาแล้วก็เป็นมหาศีลคือศีลในพระปติโมกศีลสิกขาบทสองร้อยยี่สิบเจ็ด ตามข้อบัญญัติที่มีหลายหลายอย่างก็ออกไปจากกายจากว่าจาจากใจเพราะฉะนั้นความปฏิบัติให้มีสตินี่แหละเป็นบาตรฐานเป็นธรรมที่มีอุปการะ ที่มีอุปการะต่อธรรมคือศีลสมาธิปัญญาให้มีความเจริญให้มีความเจริญมีความสงบมีความแน่วแน่ในความไม่มีบาปอากุศลแน่วแน่ในการ บำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นนี่มีอาการมีอาการสามอย่างนี่แหละีว่าศีลสมาธิปัญญาควบคุมกายวาจาและก็รวมเข้าสู่ใจที่ท่านจึงแสดง เหตุอีกอย่างหนึ่งศีลสิส่ขาบทข้อให้งดเว้นเมื่อนับจากห้าจากแปดจากสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดท่านก็รวมเข้ามาสู่ฐานสู่ฐานที่สำคัญท่านจึงบอกไว้ว่าจตุทะ ปาริสุทธิ์ที่สี่รวมมากๆแล้วก็รวมลงมาสี่อย่างได้แก่ปาติโมกสังวรศีนก็ได้แก่ความสังวรสำรวมสังวรไม่ร่วงเกินในสิกขาบทบัญญัตินี่เป็นปาติโมกสังวรศีน ข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับกายกับวาจาที่จะเป็นโทษตามพระบัญญัตินั่นก็นนสังวรสำรวมเส้นเรารักษาเป็นจดศีลก็สังวรไม่ฆ่าไม่รักไม่ประพฤติผิดมิช้าจานไม่ก่าวคำเท็จหลอกลวงอำพางไม่ดื่มจิน เรื่องดองของเมาที่จะทำให้สติสัมปชัญญะวั่นเฟือนไปนี่งดเว้นสํารวมงดเว้นในส่วนยากด้วยนี่ก็เป็นปฏิโมกสังวรศีลอาศีวะปาริสุทธิศีลอาศีวะปาริสุทธิศีลสังวรในการงาน ที่จะกระทำการงานก็ประกอบด้วยกายด้วยวาจาด้วยการนึกคิดทางใจเหมือนกันการงานที่จะได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติเพื่อจะมาเรื่องชีวิตที่ร่างกายเนี่ยก็เป็นการงานที่ชอบการงานที่ไม่มีโทษเป็นการประกอบธุรกิจการงานที่ไม่เป็นโทษ ได้มาซึ่งทรัพสมบัิเป็นเครื่องตอบแทนการงานที่เป็นโทษนั่นอย่างไรการแสวงหาทรัพจากการงานที่กระทำก็ด้วยการหลอกลวงด้วยการรัก ด, ด้วยการขโมยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการงานที่ไม่ชอบหรือการชอ่อกงเบียดบังมา ก็เป็นการงานที่ไม่ชอบอาย่างปัจจุบัน เ, เช่นการงานที่ไปค้าขายยาเสพติดอะไรต่างๆได้มาซึ่งเงินและทองมากมายนี่เรียกว่า<ม>เป็นการเลี้ยงชีวิแตแสวงหาเลี้ยงชีวิต ท, ที่ไม่ชอบไม่เป็นสัมมากัมมันตะ ไม่เป็นการงานที่ชอบเพราะเมื่อได้มาแล้วก็จะมีโทษมีโทษตามสมมุติตามข้อบัญญัติทางกายก็จะได้รับความลำบากและทางจิตใจอีกก็ได้รับความลำบากยุ่งยากกุนวาย <c oughs> นี่เรียกว่าการสแสวงหาคือการทำงานที่ไม่ชอบ ที่เป็นโทษเนี่ยเว้นและที่นี่สําหรับที่ว่าสิ่งที่เลี้ยงชีวิตที่ไม่ชอบคือสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตต่อร่างกาย <c oughs> <c oughs> ก็ไม่นําเข้ามาบริโภคไม่นําเข้ามาดื่มมารับประทานเข้าไป <c oughs> สิ่งไหนที่เป็นพิษเป็นภัยดื่มบริโภคเข้าไปแล้ว ทำยังชีวิตให้ขาดสิ้นไปนี่คือการเลี้ยงชีวิตร่างกายนี่ไม่ชอบเี้ชีวิต ท, ที่อาศัยกันระหว่างกายกับใจมันก็มีชีวิตของใจด้วยกายมีความสุขสบายเพราะธาตุเป็นเครื่องหนุนเครื่องหล่อเลี้ยงใจจะมีความสบาย ก็ต้องมีอาหารอาหารใจได้แก่อารมณ์ที่บริสุทธิ์อารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่เป็นบุญกุศลนี่เป็นอาหารใจเพราะท่านอารมณ์ของใจอาหารของใจก็ให้เป็นอาหารที่ไม่มีโทษท่านจึงว่าอารมณ์ที่ไม่เป็นไปด้วยความขัดเคืองเศร้าหมอง เพราะฉนอารมณ์ที่ไม่ขัดเครืองอารมณ์ที่จะให้เกิดความสุขก็ขมีแต่อารมณ์แห่งความดีเกิดจากการกระทําความดีเช่นจากานุสติมีสติระลึกให้เป็นอารมณ์จากการเสียสละการบริจาค ก, การให้ทานนี่ก็เป็นอารมณ์ที่ดีของใจ เป็นเหตุให้มีปิติทำความเอิบอีมเมื่อะระลึกถึงอารมณ์แห่งความดีนั่นหรือการะระลึกถึงท่านผู้ดีท่านผู้มีคุณอนบริสุทธิ์เช่นพระพุทธเจ้านี่ว่าเป็นผู้มีพระบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาคุณมหากรุณาที่คุณ ให้ทนละลึกพุโทพธโธพุทโธนะครพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือละลึกสั้นๆเอาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธประจำให้ต่อเนื่องไม่ขาดวักขาดตอนนี่ก็จะเป็นไปเพื่อความาแก่กล้าความแก่กล้าของสติ แล้วเข้าถึงสมาธิคือความมั่นคงของใจของความรู้ลนี่มันจะเป็นไปเองเมื่อระลึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธต่อเนื่องกันด้วยความมีสติความละเอียดแยกคายจะเป็นปัจจตังธรรมะเป็นปัจจตัง จะรู้เฉพาะตนเป็นขึ้นมาเฉพาะใจรู้เห็นเฉพาะใจได้แต่ท่านบอกว้อาการที่ควรละลึกนเรพุทธโธธรรมโมสังโฆละลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์อย่างนี้หรือละลึกถึงคุณแห่งลมหายใจซึ่งเป็น <c oughs> อาหาร หลอเลี้ยงชีวิตชีวิตไม่ขาดสิ้นอืเพราะมีลมเป็นอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงแต่ถ้าขาดลมหายใจแล้วชีวิตก็สิ้นสุดไปอันจึงให้อและลึกรู้และลึกรู้ถึงคุณความเอถึงบุญถึงคุณแห่งลมจึงให้และลึกรู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ ไม่ลืมคุณของลมลึกถึงคุณแห่งลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หรือประกอบกับหายใจเข้าก็รู้ถึงคุณพระพุทธเจ้าด้วยพุทธหายใจออกก็รู้ถึงคุณพระพุทธเจ้าโทพุทธโทพุทโทหายใจเขา้าพุทธหายใจออกโทนี่เป็นการ าเป็นการประกอบอาหารอันบริสุทธิ์ของใจแก่ใจเมื่อใจได้อาหารอันบริสุทธิ์คือมีความรู้ลงสู่ความละเอียดเป็นอิสระเฉพาะตัวแล้วใจจะเย็นสบายอยากเย็นเป็นสุข ความสุขสบายจึงว่าสุขใจสุขใจสบายใจใจปลอดโปร่งโล่งไม่กังวลไม่งุดหิดไม่ฟุ้งซ่านลำคาญ น, นี่เรียกว่าจิตใจโล่งโปร่งเพราะได้อาหารที่ดีจากอารมณ์ที่ได้ระลึกนี่เรียกว่าสร้าง อารมณ์ที่ดีให้เกิดเส้นทานการให้จะขานุสติทานที่เราได้ให้ดีแล้วเราเสียสละไปดีแล้วแล้วลึกถึงก็ทำให้เกิดความอิ่มใจความเบิกบานจิตใจนี่เป็นเหตุให้ใจสงบระงับมีความสุขสบาย ในอาชีวะปริสุ์ที่ศีลคือเรื่องชีวิตของกายชีวิตของใจด้วยธรรมอันบริสุทธิ์หรือด้วยเครื่องรอเลี่ยงที่ไม่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภยัยอินทรีสังวรศีลตาหูจมูกรื่นกายใจ เป็นช่องทางเป็นบ่อเกิดแห่งความสัมผัส เ, เมื่อเกิดความสัมผัสรับรู้แหละถ้ารู้ไม่ทันถ้ารู้หลงก็จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดความทุกข์เกิดความาหมุดหงิดเกิดความเดือดดาลในจิตใจขึ้นม า, าตามช่องทางทั้งหกนี่แหละที่เรียกว่าอายตนะ คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นสติศีลความสำรวมดีแล้วเป็นสติสมาธิเกิดความมั่นคงก็มาทำงานรอบรู้รู้เท่าทันขณนะ ตาสัมผัสรูปหูสัมผัผสผเสียง ก, ด ล, ดด ล, ด ก, กลิ่นสัมผัสรสอริ่นสัมผัสรสจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสกับความอ่อนความแข็งความเย็นความร้อนลมเย็นลมร้อนสัมผัสกายก็รู้จัก และก็ทัมารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์เรื่องอดีตเรื่องอนาคตหรือปัจจุบันเกิดขึ้นให้รู้รู้เท่ารู้ทันนี่เรียกว่าสติสมาธิปัญญาครอบคุมใจรอบรู้ใจให้รู้เท่ารู้ทันหรือรู้ไว้ก่อน ลู่ไว้ก่อนในเรื่องตากับลู่มันเป็นเพียงเครื่องสัมผัสกันสัญญาณรับลูกันหอสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสความอ่อนความแข็งใจสัมผัสกับอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์อดีตอนาคต ที่นี่ทำความรู้เท่ารู้ทันด้วยปัญญาคนคิดวินิจฉัยนี่เป็นทางแห่งความรับรู้ก็ให้รู้เป็นมันเป็นเพียงเครื่องสัมผัสกันคือไม่ให้มีความหลงให้รู้แจ้งให้รู้แจ้งรู้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาเมื่ออาจาตนาสัมผัส ภายนอกภายในตาเห็นรูป ก, ก็สักเพียงว่ามันเป็นสิ่งสัมผัสกันไม่ไปคิดปรุงแต่งไม่ไปหลงว่ารูปเป็นอย่างนั้นรูปเป็นอย่างนี้รูปพอใจรูปไม่พอใจหูสัมผัสเสียงก็ไม่ไม่ให้หลงสําคัญมั่นหมายว่าเสียงนี่พอใจไม่พอใจอพีน ก็เหมือนกนรรสสัมผัสกับรีน่น mm. ก็ให้รู้เท่าทันไม่ให้ไปสำคัญมั่นหมายว่ารถที่ชอบใจไม่ชอบใจรถก็ให้เพียงรู้ว่ามันเป็นรสชาติรสขมรสเค็มรสหวานอะไรก็แล้วแต่ซึ่งรื่นเป็นสิ่งสัมผัส มีปัญญารู้เท่าทันรอบรู้เข้าใจไว้ก่อนเมื่อมันสัมผัสกันจริงๆก็เรารู้ไว้ก่อนแล้วมันก็เป็นแต่เพียงสิ่งสัมผัสใจนี่ไม่ไปหลงไม่มีความหลงค้อบงำให้สัญญาความจำกับไปจำผิด หมายมั่นผิดสังขารก็ไม่ปุงให้ผิดไปเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ถ้ารู้เท่าทันแล้วมันสังขารก็ไม่คิดปุงผิดสัญญาก็ไม่จาผิดจาก็จาโดยธรรมชาติสิ่งที่สัมผัสกันก็เป็นเพียงสัมผัสกันคือมันไม่มีปฏิกิริยาแห่งความเห็นผิดที่ใจล่ะ ไม่คิดผิดไม่เข้าใจผิดไม่เห็นผิดที่ใจแล้วก็ไม่มีโทษไม่มีไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายเกิดเพราะตาเห็นหูได้ยินจะโหมสัมผัสกินลิ้นสัมผัสลดกายสัมผัสใจคือมโนธาตุมโนธรรมความรู้รู้สัมผัสสัญญาอารมณ์ก็ไม่เป็นทุกข์ไม่โกรธไม่เกลียดไม่โลภไม่หลง เพราะอายตนะสัมผัสนี่เมื่อมีความสังวรสังรวมในอายตนะทั้งหกอย่างนี่ความรู้ก็เป็นความรู้ปกติเมื่อความหลงไม่มีไม่หลงผิดไม่เห็นผิดแลวไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นโทษนี่จึงเป็นความ เรียบร้อยเป็นความเย็นนี่ท่านเชิงว่าอินซีอินรีสังวรรศีนสังวรในอายตนะจนมีความแก่กล้าด้วยสติปัญญ า, าเรียก ว, ว่าอินซีกล้าอินซีคือศรัทธาวิิยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเชื่อ มันเชื่อมั่นในการสังวรในการสำรวมในการจดจอ่อในการกำหนดรูมันแน่วแน่มั่นคงมีความเชื่อไม่ลังเลสงสัยนันก็มีความเพียรปักลงไปแน่วแน่แล้วก็มีสติ ไม่ขาดวักขาดตอนต่อเนื่องกันความมั่นคงของใจก่อนแน่วแน่ขึ้นมาความรอบรู้ด้วยปัญญาก็ไม่ขาดวักขาดตอนเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดรอบรู้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามเป็นจริงแกมแจ้งชัดเจนก็ไม่มีความหลง เมื่อความหลงไม่มีมันก็ไม่มีความผิดไม่มีความผิดไม่มีความถูกเพราะรู้แจ้งความเป็นจริงทั้งหมดแล้วจึงไม่มีผิดจึงไม่มีถูกจึงเป็นธรรมชาติที่ไม่มีโทษอันจึงเป็นความเยือกเย็น ยังเป็นการประหาร <c oughs> ประหารโทษหรือวางโทษโดยสิ้นเชิงลงไปได้เน้ <c oughs> นด้วยอินทรีสังวรศีลปัจจัยสนิติศีลก็เหมือนกันปัจจัยสีค่องอาศัยอาหารการมริโภค ต้งดื่มกินเลี้ยงรอเลี้ยงร่างกายาผ่อนท่านสบายเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคปัจจัยทั้งสี่นี่รู้ความจริงด้วยสติปัญญาก็ไม่เป็นโทษนี่เมื่อไม่มีความหลงในปัจจัยสี่ในอายตนะ สัมผัสแล้วก็ไม่หลงทำความผิดในกล้าด้วยกายด้วยวาจาเก็เป็นความสมบูรณ์แห่งศีลศีลจะสมบูรณ์ได้ก็เพราะสติรวมเข้ามาที่นี่เป็นศีลที่แท้จริงอยู่ที่เจตนาอยู่ที่สติความะระลึกรู้สัมปชัญญะ ความรู้ตัวเห็นโทษด้วยปัญญาแล้วขาดไม่มีความหลงในการที่จะทำให้เกิดโทษทางกายวาจาและจิตใจแม้แต่ความนึกความคิดก็ไม่มีกลายเป็นจิตเมตตาที่สร้างเมตตาให้เกิด เมตตาภาวนาศีลภาวนาสมาธิภาวนาเมตตาภาวนาปัญญาภาวนารวมกันนี่รวมลงเรื่องภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญาคนะือเรื่องภาวนาภาวนาคือสภาวะที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำให้เกิดขึ้นซึ่ง ความลู่รอบความลูกตั้งมั่นแน่วแน่ความสังวรสำรวมรักษานี่เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือสำหรับที่จะงดเว้นบาปงดเว้นโทษที่จะละบาปที่จะละบาปละโทษนี่ก็ อ, อาศัยธรรมะเหล่านี้แหละเป็นเครื่องมือ แล้วก็สร้างความดีที่เป็นบุญกุศลอารมณ์แห่งความสุขให้เกิดขึ้นก็ด้วยการภาวนาด้วยการเสียสละด้วยความเมตตาสร้างเมตตาปัถนาให้เป็นสุขก็เป็นเมตตาภาวนาและลึกถึงเขาถึงเรา มันมีอะไรส่วนที่เป็นรูปเป็นสิ่งที่ไม่ได้รู้อะไรสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกันในเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นรูปร่างกายแอายตนะธาตุอวัยวะทั้งหลายเครื่องยังให้รูปกายนี่เป็นไปได้ด้วยอาหารคือลม ไฟดินดินน้ำไฟลมน่ะเป็นอาหารของรูปเพราะรูปเกิดจากดินน้ำไฟลมจากธาตุทั้งสี่สมประยุทธ์รวมกันแล้วก็ต้องรอเรี่ยงด้วยดินน้ำไฟลมเหมือนกันจึงมีความเป็นอยู่ได้ในส่วนธาตุชีวิตแห่ง รูปร่างกายส่วนจิตใจน่ะก็ต้องมีธรรมน่ะเป็นอาหารเนี่ยมันเป็นคนละส่วนมาแยกกายแยกใจเข้าใจในกายในใจในี่จึงปฏิบัติต่อกายต่อใจให้ถูกต้องได้ให้อาหารที่บริสุทธ์แก่ใจ เรียกว่าความเห็นคือปัญญาเห็นชอบความเห็นคือปัญญาที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งส่วนที่เป็นรูปประรรมนามธรร ม, ม, รรรมเห็นสมมุติบัญญัตทั้งหลายนี่รวมลงสู่อนัตตาธรรมคือความไม่ใช่ตัวใช่ตนนี่เป็นเรื่องของปัญญา เป็นส่วนของปัญญาเห็นชอบเห็นที่ใจเนี่ยรู้ที่ใจเห็นที่ใจเป็นปัจจังเฉพาะตัวนี่เห็นด้วยการรักษาศีลการภาวนาเนี่ยการเจริญศีลเจริญสติสมาธิจนมาถึงการเจริญปัญญาปัญญาเกิด จากสมาธิปัญญาเกิดจากความสำรวมความจงใจความเจตนานี่ก็มีและปัญญาเกิดจากเจตนาที่จะค้นคว้าตึกตองที่ท่านเรียกว่าวิตกวิจารให้เข้าใจในสภาวธรรมส่วนละเอียดส่วนที่ไม่เป็นรูปเป็นส่วนที่เป็นนาม ส่นที่เป็นนามตาัญญาสังขานเวทนาวิญญาณความรับรู้รับทราบจนละเอียดเข้ามาถึงจิตใจที่เป็นธาตุรู้นี่ก็เป็นธาตุอันหนึ่งเป็นธาตุรูปที่นี่สิ่งที่ไม่รู้กขแฝงอยู่ในความรู้นี่เมื่อทําความเข้าใจใน ส่วนหยาบโดยลำดับด้วยศีลด้วยสติความสำรวมทั้งวอนต่อเนื่องต่อเนื่องจนสติเนี่ยตั้งมั่นมั่นคงหรือว่าเรากำหนดส่วนใดเป็นอารมณ์ของใจที่ว่าการภาวนาน ที่อธิบายในส่วนศีลที่ต้องรักษาเป็นความสำรวมเป็นเป็นส่วนหยาบ้งหรับกายวาจาศีลเป็นศีลคือเจตนาที่สังวรงดเว้นเป็นเครื่องกั้นเป็นรั่วกั้นไม่ให้เกิดบาปไม่ให้เกิดอกุศล ทางกายวาจาแล้วก็ที่ใจด้วยทีนี้ก็ละเอียดเข้ามาในส่วนสมาธิเป็นเรื่องของความรู้เป็นเรื่องของความรู้ความตั้งมั่นแห่งความรู้ที่จะให้รู้ตั้งมั่นแน่วแน่ไม่ เอนเอียงไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆก็อาศัยจากผลของศีลที่สังวรสํารวมที่มีเจตนาต่อเนื่องกันก็เป็นความแน่วแน่ของสติยิงเข้ามาถึงสมาธิคือความตั้งมั่นของใจหรือความสงบใจ ต้องมีต้องมีเจตนาจากสติจากความสำรวมเหมือนกัน <c oughs> ถึงเข้ามาถึงความมั่นคงความตั้งมั่นของใจ <c oughs> และก็ปัญญาเกิดจากศีลจากสมาธิ ปัญญาเกิดจากภาวนาที่เมื่อสติเมื่อใจนี่ข้ามไม่บอลไม่มีอารมณ์เครื่องลบกวนให้หวันไหวเล่าร้อนเลยถ้าจะรู้กาหนดรู้อยู่รูอยู่กับความรู้อยู่เฉยๆเอาความรู้เป็นที่อยู่ยงันั่นเรียกว่าสมาธิอยู่ในสมาธิเอาความรู้เป็น เที่ยงสมประยุทธ์แห่งความรู้นั่นแหละแต่มันยังไม่แตกยังไม่มีปัญญาแยกความรู้เข้าใจในความรู้มันจึงมีเชื่อที่จะให้เกิดทุกเกิดความหลงเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาวินิจฉัยเพ่งพินิษพิจารณาใน ในความรูม้เมื่อมันรู้เท่าสัญญาสังขารวิญญาณอะไรมาหมดมก็มาอยู่กับผู้รู้คือใจสติระลึกรูก้ปัญญารอบรู้กับความรูม้มันก็สบายมันก็สบายแต่ว่ามันยังไม่มันยังมีที่หลบซ่อนอความไม่รู้ยังจะซ่อนอยู่ในความรู้นั่นแหละ เพรานจึงต้องมาพิจารณาความรู้คือมาพิจารณาใจนี่อีกมันมีอะไรบ้างอยู่ในใจนี่ในความรู้นี่อันนี้ต้องอาศัยปัญญาอาศัยปัญญาภาวนาคือที่ทาต่อเนื่องกันมาแล้วจึงเป็นสติสัมปชัญญะตั้งมั่นรอบรู้และก็มา รู้เข้าที่ใจที่ผู้รู้นี่อีกมันยังมีความหลงยึดอยู่ในผู้รู้นี่ว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาเขาหรือ ย, อยังไงนี่แหละมาเอาฝนปัญญามาจดจ่อปัญญาเข้าเท่งทินิทิจรารณาเมื่อมันเห็นความจริงของความรู้นี่ก็ ถ้ายังมายึดความรู้มาเห็นว่าความรู้นี่เป็นเราอยู่เองเราเป็นความรู้เองมันก็ยังเป็นความไม่รู้อยู่ในที่นั่นถ้ามาลูความจริงในส่วนนี้แหละมันก็จะวางรวมลงสู่สเพธรมานาตาติทำทั้งหลายไม่ควรเห็นว่าเป็นตัวตน พโดยธรรมชาติเขาเขาไม่เป็นอะไรถ้ามาเข้าใจในส่วนนี้ด้วยปัจจตังเท่นี้เฉพาะตัวด้วยปัญญาของตัวเองพอเข้าใจแล้วมันจะโล่งมันจะวางมันจะว่างภายในหมดความสงสัยไมีอะไรเป็นอะไร สมมุติก็เป็นสมมุติลู้ตามสมมุตินี่วิธีจิตที่จะเดินเข้าไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์มันจะไปอย่างนั้นแต่ที่นี่ในเบื้องต้นเนี่ยเรามาเอาอันนี้แหละในเมื่อมันยังเนี่ยหลงวุ่นวายอยู่กับนี่แหละของหยาบยาบอยู่นี่ รูปเสียงกินรดกับความได้ความมีความเสียความสมปรานาไม่สมปทานาเนี่ยก็มาภาวนาอบรมสติสมาธิปัญญาไปเรื่อยเรื่อยรื่อยไม่ประมาทไม่ท้อถอยเมื่อเข้าถึง ความจริงแล้วสติแน่ว แ, แน่สมาธิมั่นคงปัญญารอบรู้ก็เป็นความยอดเยี่ยมนที่ว่าสีลังโลเกนุตโรศีนเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสีนเป็นเยี่ยมในโลกจะถึงความยอดเยี่ยมถึงความหมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัย หมดเวรหมดกรรมในส่วนสุดท้ายด้วยปัญญาก็คือการประชุมทั้งศีลสมาธิและปัญญาลงเป็นเอกมรรคเป็นสมาธิปัญญาเห็นชอบอันเดียวเนี่เท่านั้นแหละทำลายความหลงทั้งหมดอุปท า, านความยึด มั่นถือมั่นในจิตทั้งหลายก็สิ้นสุดลงด้วยปัญญาเห็นชอบนี่จึงรวมเป็นศีลสมาธิปัญญาหรือสติสมาธิปัญญาเป็นอุบาย <c oughs> เป็นอุบายเป็นเครื่องมือในการใช้ที่เราต้องนำมาประพฤติปฏิบัติ ต่อกายวาชาใจที่นี่มีกายมีวาชามีใจเป็นเครื่องรองรับกับเครื่องมือคือศีลสมาธิปัญญาความสิ้นกรรมสิ้นเวรที่ท่านเรียกว่าตัดกรรมชรูปและวิบากขันสิ้นสุดลง คือจิตที่พ้นจากอํานาจของกรรมดีและกรรมชั่วทั้งหมดนั่นเป็นความยอดเยี่ยมของของใจเป็นความยอดเยี่ยมของธรรมคือธรรมที่บริสุทธิ์มีมดุดหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี่ด้วยอํานาจของศีล ส, สมาธิปัญญา เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วติดตองไข้ควรประพฤติปฏิบัติด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่อื่นถ้าเราไม่ปฏิบัติก็ปล่อยกายปล่อยวาจาปล่อยใจไปตามความลุ่มหลงอืมทําความอยากความสัมผัสสัมผัสสัมปยุตจะเกิด เกิดจากความไม่รู้กายรู้ใจไม่รู้เหตุรู้ผลมันก็ไปอยู่ในนี่แหละทุกทุกเกิดทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายทุกเพราะความอยากทุกเพราะความปารถนาไม่สมปารถนาวนเวียนอยู่นี้แหละทุกในโลกทุกในโลกทุกในทุกคติโลก ทุกพระเข้าสู่เปรตอสุรกายสัตว์ไรฉ า, านในนรกก็ไปเพราะความไม่ฝึกกายฝึกใจไม่เอาธรรมะคือข้อปฏิบัติห น, นทางนำเนินในแก่ศีลสมาธิปัญญามาเป็นบรรทัดฐานนี่เมื่อเรา นำธรรมะหรือเห็นคุณค่าของธรรมะเห็นคุณค่าของกายวาจายใจรวมลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าของใจที่จะให้ใจเนี่ยเป็นอิสระเป็นผู้ไม่มีโทษพ้นจากโทษพ้นจากโทษในวัฏฏะสงสาร คือการท่องเที่ยวเวียนว่ายใต้เกิดเรียกว่าใจพ้นจากโทษพ้นจากความรุ่มหลงเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองโดยธรรมะคือศรรีลสมาธิปัญญาข้อปฏิบัติดังกล่าวมาไม่ท้อถอยไม่ท้อถอยไม่ทออทุระนี่ เอาใกล้ๆพูดสั้นๆเรียกว่าให้มีข้อปฏิบัติคือความสำรวมมีสติเป็นเพี้ยนสองของใจรู้กายรู้ใจในอิริยาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนี่ตัวนี้เรียกว่าไม่ปล่อย ละเลยไม่ทอดทิ้งไม่ทอดทิ้งตนสตินี่แะตั้งจดจ่อเข้าไปสติละลึกลูกเป็นคู่ของใจเป็นเพื่อนสองของใจไม่ขาดวักขาดตอนกับสมาธิก็จะมั่นคงแน่แน่ปัญญาความเห็นความไข้ควรก รอบรูดแยกแยะดูกายดูใจเนี่ยดูสุขดูทุกข์ทุกเกิดขึ้นกําหนดรูปสุขเกิดขึ้นก็รูเท่ารูปทันไม่หลงสุขหลงทุกข์เป็นเพียงอาการอันหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปนี่ทำปัญญาให้เห็นความจริงรูความจริงอย่างนี้ก็จะไม่ไปเป็นทุกข์เพราะสุขดับไปไม่เป็นทุกข์เพราะทุกข์เกิดขึ้น ก็รูปความจริงของธรรมะอรวมเข้ามาก็เรียกว่ารูปอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเกิดแล้วเป็นทุกทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยู่ในความจะเป็นปกติจึงเรียกว่าไม่ใช่ตัวตนความรู้ความเห็น ตามเป็นจริงในสภาวะตามเป็นจริงอย่างนี้แหละใจจะได้สบายที่ทำการทำงานอยู่ทำธุรกิจหน้าที่การงานเมื่อใจเป็นธรรมใจเข้าใจในสภาวะทำแล้วเรียกว่ารูละรูวาง <c oughs> รูละรูวางรูเหตรุรูผลผลเกิดจากเหตุ เพราะมีเหตุจึงมีผลอพอดับเหตุผลจึงไม่มีเข้าใจความจริงตามเป็นจริงอย่างใจก็จะมีสมาธิทมเป็นเครื่องอยู่มีปัญญาธรรมเป็นเครื่องสลัดความยึดมั่นถือมัน่นก็จะสบายด้วยธรรมะมไปจากเบื้องต้น จนละเอียดสุดนี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่กายกับใจรวมเข้าอยู่ที่ใจนี่ไม่ได้อยู่ข้างนอกเห็ว่าใจเป็นฐานรองรับทุกข์ก็ใจสุขก็ใจล้ก็ ใจเป็นฐานรองรับลูกใจเป็นท้องฐานรองรับเพราะนั้นจึงต้องให้มีความเพียนมีศรัทธาเชื่อมัน่นมีวิยะเพียรพยายามสติระลึกให้ต่อเนื่องกันสมาธิใจก็จะมีความมั่นคงในธรรมในการประพฤติปฏิบัติธรรม ปัญญาก็จะรู้จริงเห็นจริงปล่อยวางว่างจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ยินได้ <c oughs> พูดธรรมะเป็นเครื่องเกื้อนจิตใจเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงน้อมเข้าสู่ใจกำหนดรูปตามกระแสแห่ง ธรรมะและก็เจริญภาวนามีความเพียรแท่งอยู่นิดพิจารณาให้ต่อเนื่องกันสุดท้ายก็จะประสบจะประสบพบความจริงพบความสุขแห่งใจอันแท้จริงด้วยการประพฤติปฏิบัติเป็นปัจจตังทำที่พพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบ ไม่มีการไม่มีเวลากะพิตปฏิบัติเวลาไหนรู้เวลานั้นเห็นจริงรู้จริงเข้าใจความจริงเวลานั่นแหละจึงว่าไม่มีการไม่มีเวลาอาการิโกแล้วก็พิสูจน์ได้เอหิปัสิโกให้พิสูจน์ได้ลองเรียกมาดูได้หรือน้อมเข้ามาคน้นคว้า เหตุผลเข้าใจได้แล้วก็จะรู้ได้เฉพาะตนปจจตังเวทิตพโภวินโยหิวินยูชนผู้ประพฤติปฏิบัติจะรู้แจ้งแทงตลอดได้เฉพาะตนในการปฏิบายธรรมะก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ ศรัทธาญาติโยมท่านผู้ไขในธรรมทั้งหลายเจริญในธรรมด้วยความเพียรพยายามด้วยศรัทธาความเชื่อวิทยะความเพียรสติความระลึกไว้ชอบสมาธิตั้งใจไว้ให้มั่นคงปัญญารอบรู้ด้วยเหตุด้วยผลให้สมบูรณ์พลภูนผลผ ด้วยความสุขกายสบายใจและด้วยความสุขในธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะทั้งที่หยาบละเอียดแล้วก็สุกกายสบายใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเธอ